ถ้าบามีไม่แก่กล้าพอนะก็คงคลำไปเรื่อยๆหลายภพหลายชาติเสียเวลาเเวลาจุดแรกที่เราต้องมุ่งไปนะละความเห็นผิดื่ากายกระใจเป็นเราคือละสักกายทิฏฐินั่นเองถ้าละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันงันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยเป้าหมายแรกของเรานะในชีวิตนี้ต้องเป็นพระโสดาบัน ส่วนจะบรลุวัตถุประสงค์สุดท้ายเป็นพระราหารันและพนทุกข์ทาวอนหรือไม่เนี่ยถ้าเป้าหมายแรกไม่สำเร็จเนะี่วัตถุประสงค์สุดท้ายนั้นก็ไม่สาเร็จงั้นเราอย่าเพิ่งสับสนอนุมานหลายคนภาวนาเนี่ยไร้ทิศทาง<ม>เช่นอยู่ๆก็ามาถามหลวงพ่อนะจะละากามได้ยังไงจะละากามมันเรื่องของพระอนาคามีไม่ใช่เรื่องของเรา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 พราะฉะนั้นขอบเขตสโคบของการศึกษาศาสนาพุทธศึกษาอยู่ที่กายกับใจนี้จนละความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราผม mm hmm. อยาให้ออกนอกกรอบนี้ออกนอกกรอบนอกสโคบอันนี้นะก็อ้อมค้อมเสียเวล่มเวลา mm hmm. บางคนมาตั้งหน้าตั้งตาะจะมานั่งถกแถลงทางปรัชญานะเ mm hmm. <laughs> มื่อวานก็มีดีว่าหลกงพ่อไม่ได้คุยด้วยเป็นบุญวาสนา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 ถึงจุดสุดท้ายนะัคือการรู้แจ้งอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจได้นะจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จะข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์ถาบอนได้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆชีวิตของพระอราหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่มันมีแต่ความสุขล้วนๆนะมันไม่น่าเชื่อใจิตใจมันมีแต่ความสุขล้วนๆได้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้นะต้องรู้ก่อนเราต้องรู้กายต้องรู้ใจ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 มันมีเมียเป็นนางงามจักรวาลคิดได้ใช่ไหมจริงจริงๆนางงามชาวกล้วยยังไม่ได้เลยเอยังหาไม่ได้อะไรเงี้ยงั้นจริงๆกับเรื่องที่คิดเอานี่คนละเรื่องกันทํำมิปัสสนาเนี่ยต้องข้ามพ้นความคิดให้ได้ดูของจริงให้ได้ะดูลงมาจริงจริงๆเลยร่างกายนี้เป็นเราหรือไม่เป็นจิตใจนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นต้องเห็นของจริงเห็นของจริงก็ต้องไม่คิดเอาต้องรู้เอา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 เราต้องไปดูว่าของจริงเป็นยังไงนะมันอย่างเราทําวิจัยทางศาสนาพุทธก็เป็นงานวิจัยนะท่าเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยยักก็คือธรรมวิจัยนั่นเองแอปโรสในการวิจัยเนี่ยพุทธเจ้าสอนมาก่อนฝรั่งอีกแลนะเราก็แตกตื่นไปเรียนของฝรั่งนะตื่นเต้นเห็นมีอะไรเลยถ้าเข้าใจศาสนาพุทธจริงจรนะิงเยแอปโรสทั้งหลายนะไม่ได้หนีพ้นกรอบที่พุทธเจ้าสอนไว้เลย ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้คิดเอาหลวงพ่อแต่ก่อนเคยยกตัวอย่างด้วหลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพเกิดในกรุงเทพนะโตอยู่ในกรุงเทพจนแก่อยู่ในกรุงเทพแล้วไปบวชอยู่เมืองการที่เมืองการเป็นท้องไร่ท้องนาที่ไปอยู่ที่แรกแล้วไปปลูกต้นไม้จนเป็นป่าขึ้นมาหลวงพ่อไปเห็นนกนกเยอะแยะเลย เราคนกรุงเทพเรารู้จักแต่นกกระจอกนกที่ราบคนกรุงเทพกระจอกมากนะนกอื่นไ ม, ม่มีกระจอกเยอะกรุงเทพหรืออย่างมากก็มีนกนางแอ่นมาเกาะสายไฟรู้อยู่ไม่กี่อย่างแล้วนกพอไปอยู่เมืองกาญฯเเห็นนกเพียบเลยไม่รู้นกอะไรไปถามพวกช่างก่อสร้างว่านี่นกอะไรเนี่ยชื่อช่างแดงช่างแดงบอกนี่นกกะลิงฟังแล้วก็ว่างเปล่าเท่าเดิมเลยนะ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 เห็นม right, ันเปลี่ยนอิริยาบถไปเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้าทําไมมันต้องหายใจก็เพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นให้ต้องหายใจเขาไม่หายใจก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ดูลงมาในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์อิริยาบถทุกข์การหายใจเข้าหายใจออกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่ค่อยเห็นความจริงหน่อยนะหรือเห็นในกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอก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 ตามดูลงไปจนถึงจุดหนึ่งเลยเห็นทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราที่เราสั่งได้เลยเป็นแต่าธาตุแต่ขันร้วนล้วนเลยกายก็เป็นาธาตุจิตใจก็เป็นาธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุมโนาธาตุอะไรพวกนี้ดูไปเลยเห็นไม่มีตัวเราเละความเห็นผิดได้ได้โสดาบันตามรู้ตามดูต่อไปจนหมดความยึดถือกายนะได้พระอนาคามหมดความยึดถือจิตก็จบหลักสูตรในศาสนาพุทธแล้วมีชีวิต